ภาคที่สองตอนที่ยี่สิส่ยวนส่งสารคมคู่ไทยโดนไทยคมคู่กลับครั้งนั้นทัพเจ้าพระยานครราชสีมาและกองทัพพระยาพระหลวงทั้งปวงก็เดินทัพถอยกลับมาถึงพร้อมกันได้พักพนอยู่ที่ตำบลหนึ่งเขมีเรียกชื่อว่า ทูลกระบือแปลเป็นภาษาไทยว่าโคควายเมื่อฝนตกห่าใหญ่ครั้งหลังนั้นกองทัพไทยหาถูกไม่เพราะล่าถอยทัพมาก่อนฝนตกฝนตกถูกแต่กองทัพฝ่ายยวนฝ่ายยวนจึงล่าถอยกลับไปครั้นทัพไทยมาพักอยู่ที่บ้านโคควายนั้นพวกเขเมี่ตํา บ, บนแฝงบ้านโคควายจึงพากันคุมเป็นกบฏต่อไทย พวกขมรประมาณ200สอง้อยเศษยกออกปีกองทัพพระยาราชนิกูลนกองหน้ากองทัพพระยาราชนิกูลนกองหน้าไม่ทันจะรู้ตัวเกือบจะแตกแก่ขมรญขมิญฆ่าไทยเสียครั้งนั้นมากขณะนั้นพอกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมาเดินทัพขึ้นมาทันได้เห็นเสียงปืนยิงหนาหูก็รู้ว่ากองทัพพระยาราชนิกูลทัพหน้า คงจะได้สู้รบกับขมินหรือยวนเป็นแน่แล้วเจ้าพระยานครราชสีมาจึงรีบเร่งเดินทัพมาทันจึงได้ไล่ต้อนพลทหารเข้าช่วยระดมตีขมิเหล่าร้ายพักเดียวก็แตกสิ้นแต่ตายในที่รบตกออกปลาเกลื่อนมากนักที่ไทยจับเป็นได้นั้น46คนจึงให้ล่ามไต่ถามได้ความว่าชาวบ้านและชาวเมืองเล็กน้อย ขุมกันเป็นกองทัพขึ้นเองไม่มีเจ้านายขุนนางผู้ใดใช้มารุกเจ้าพระยานครราชศีมาสั่งหลวงบรินพรานุรักษ์ให้พาขมรขบศ46ี่สิบคนไปตัดใบหูทั้งสองข้างแล้วสักหน้าผากเป็นอักษรขอมภาษาขมรว่าขมรระบากไม่มีเจ้านายให้ปล่อยไปทั้งสิ้นหาค่าไม่เพราะจะไว้เหยียดยศแก่บ้านเมืองขมิบ้าง ครั้งนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาจึงได้ยกทัพมาตั้งพักพลอยู่ที่ตำบลพนมมาตรพระยาพิชัยสงครามกับพระยาชนะพลแสนก็ยกตามมาตั้งพักพนอยู่ที่ตำบลหนึ่งเขมเรียกชื่อว่ากำพงวัดพนมมาตรแปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าวัดภูเขาทองใกล้บ้านอินทรกุมานแขวงเมืองกะพงสไย แต่ทัพพระยามนเทียนบานและพระยาราชโยธากองทัพวังหน้าเป็นกองใหญ่ได้ยกล่าถอยกลับมาแล้วเดินทัพไปข้างเมืองลาวจึงใช้ให้คนถือหนังสือมาแจ้งความกับเจ้าพระยาบรินเดชาที่เมืองปริสาแต่ทัพพระยาเสราชเดโชนั้นไม่ได้ยินข่าวว่าข้ามแม่น้ําำผงมาเลยเพราะเดินทัพปลาหลังหนักเห็นทียวนจะจับเป็นไปได้ทั้งกองทัพดอกกระมังด้วยกองทัพนั้น มีไพร่พลไทยห้าร้อยคนรามันสามร้อยคนรวมเป็นไพร่พลถึงแปดร้อยคนขันสืบถามยวนเขมเฉลยที่จับมาได้หนึ่งเนืองนั้นก็หาได้ความไม่หายสูญไปทั้งกองทัพทีเดียวเป็นการอัศจรรย์นักขันภายหลังเมื่อหยุดทัพสึกแก่กันแล้วได้สอบถามตามจีนและแขกซึ่งเป็นพวกพาณิชย์ที่ไปค้าทางเรือทะเลจนถึงเมืองยวนก็ไม่ได้ความว่า ยวนตีทัพพระยาเสียราชเดโชได้แล้วฆ่าตายเสียหมดหรือจะเป็นไปไว้เป็นเฉลยประการใดหาได้ความไม่สงบเงียบสูญหายไปทั้งสิ้นจนทุกวันนี้ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาตั้งพักพลอยู่ที่เมืองปริศาสตคอยกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมาก็หายไปช้านานจึงแต่งกองทัพไพรพลไทยร้อยหนึ่งขมิสาร้อยรวมสี่ร้อย ให้พระยาณรงเลทิเดชขมินเป็นนายทัพให้พระยาอารามมนเทียนข้าหลวงในพระราชวังบวรเป็นผู้กำกับทัพยกไปสืบทัพเจ้าพระยาคนครราชสีมาว่าจะยกมาพักอยู่ที่ใดถ้าไม่พบก็ให้พระยาณรงเลทิเดชเกณฑ์ไพรพลขมินตามหัวเมืองรายทางเพิ่มเติมอีกสามร้อยคนหรือห้าร้อยคน ให้เกณฑพระยาขมนหัวเมืองเป็นนายทัพนายกองขุมไพร์บนยกไปเสิบข่าวทัพเจ้าพระยานครราชสีมาจนถึงฝั่งลำแม่น้ำโขงให้ได้ความพระยาอารามมนเทียนกับพระยานรงริติเดชเดินทัพมาสิบห้าวันเศษจึงพบกองทัพหน้าที่ซึ่งพระยาราชนิกูลตั้งอยู่ที่ตามนท่าทรายแขวงเมืองกระพงสบายซึ่งเข้าไปหาพระยาราชนิกูล พระยาราชนิกูลแจ้งความว่าได้ข้ามลําแม่น้ําโขงมาแล้วได้สู้รบกับยวนยวนถูกกลนอบายไทยในค่ายตายมากแล้วได้ตัดศีรษะยวนทรงไปถวายพระเจ้าเวียดนามตามการที่เป็นมาแล้วนั้นเล่าให้ฟังทุกประการพระยาอารามกลับมาแจ้งความให้เจ้าพระยาบดินเดชาทราบเจ้าพระยาบดินเดชาทราบแล้วจึงว่า กองทัพเราจะตั้งอยู่ที่เมืองปุริศาสตนี้ช้านานไม่ได้เพราะขัดสนด้วยเสเบียงอาหารไม่พอจะเลี้ยงไถ่พลแล้วสั่งให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองกว่าต้อนครอบครัวเมืองปุริศาสอพยพมาตั้งอยู่ที่เมืองพระตะบองเมื่อเดินครัวเมืองปุริศาสตมาตามทางป่านั้นครัวหนีเข้าป่าระนามไปมากสักสามส่วนที่ไทยติดตามครัวเขมรกลับคืนมาได้สักสองส่วน จึงพักครัวและกองทัพไทยอยู่ที่เมืองพระตะบองแล้วเจ้าพระยาบนินเดชายังมีหนังสือมอบให้หลวงสุริยามาศข้าหลวงนาครุงเก่ากับพระนเรนทรักขเมินถือไปให้เจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพและพระยาราชนิกูลข้าหลวงํำกับทัพให้ทราบใจความว่าให้เจ้าพระยานครราชสีมาและพระยาราชนิกูล เร่งคิดอ่านกว่าต้อนครอบครัวเขมรและลาวขา่าแขวงเมืองสะทงและเมืองตะพงสวายกับเมืองพนมมากให้สิ้นเชิงแล้วให้แต่งพระยาพระหลวงหัวเมืองเป็นนายทัพนายกองไปกว่าต้อนครอบครัวเขมรและลาวขา่าตามหัวเมืองรายทางขึ้นไปไว้ที่เมืองนครราชสีมาให้ได้ครัวโดยมากจะได้เป็นการใช้ทุนหนุน ที่เราพาพวกเรามาตายเสียนั้นก็มากนักให้ท่านพระยาทั้งสองคิดอ่านหากำไรให้ได้ครอบครัวเฉลยขึ้นไปไว้บ้านเมืองฝ่ายไทยตั้งแต่เมืองสรินเมืองสังขละเมืองขุขันบุรีเมืองอัจปือและเมืองอื่นๆซึ่งขึ้นกับเมืองนครราชสีมานั้นให้ได้ครัวมากๆทุกเมืองให้เรีบเร่งกว่าต้อนครอบครัวขึ้นไปให้ในฤดูฝนนี้ให้ได้ ถ้ากว่าต้อนครัวได้มากน้อยเท่าใดก็ให้ท่านพระยาทั้งสองแต่งตรมการผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ขุมครัวขึ้นไปก่อนให้ผ่อนครัวขึ้นไปไว้ในบ้านเมืองฝ่ายไทยเนืองจุดลักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกปีมะเมียศกเป็นปีที่สิ็ดในรัชกาลที่สามกรุงเทพครั้งนั้นองค์เตียนกุลเสนาบดีกรุงเวซึ่งถืออาชญาสิทธ์มาเป็นแม่ทัพหลวง ได้สำเร็จราชการบังคับบัญชาแม่ทัพทุกกองอยู่ณเมืองล่องห้นั้นขันองค์เตียนกุลได้ทราบข่าวว่ากองทัพไทยบกเรือล่าถอยกลับไปยังเมืองพระตะบองหมดแล้วจึงสั่งองค์จันเบียขุนนางผู้ใหญ่ในกองทัพให้คุมไพรพลพันห้ารเป็นแม่ทัพใหญ่ผานักองค์จันเจ้ากรุงกัมพูชาและครอบครัวพระยาขมีนที่หนีไทยไปพึ่งยวน ยวนก็พาขมิมาตั้งบ้านเรียนอยู่ที่เมืองพนมเปนเมืองพนมเปญนั้นไทหรือกำแพงบ้านเมืองเสียสิ้นแล้วยวนว่าให้ขมนตั้งพักอยู่ที่นี่เสียเถิดแล้วยวนจึงจะช่วยจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยปกติดังเก่าแต่องค์จันเบียแม่ทัพยวนนั้นก็ตั้งอยู่ที่เมืองพนมเปนด้วยเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนป้องกันนักองค์จันขมนแต่องค์เตียนกุลแม่ทัพหลวงนั้น ก็ยกทัพใหญ่ขึ้นไปตั้งการล้อมเมืองไส่งอนซึ่งองค์พ่อเบคยลันเบียเป็นขบฏแต่องคเตียนกุลแม่ทัพหลวงตั้งล้อมเมืองไส่งอนอยู่หลายเดือนยังไม่ได้เมืองไส่งอนอยู่ในอำนาจกรุงเวเดือนห้าปีมะเมียฉศกนั้นฝ่ายองค์เย่อโดยดาวขุมไพรพลยวนสี่สิบสองคนถือหนังสือองคเตียนกุลแม่ทัพใหญ่เข้ามาทางเมืองขมินแจ้งความกับขุนรักษานิคม นายเขตดานเมืองพระตะบองว่าจะมาหาแม่ทัพไทยผู้เป็นใหญ่หนายดานขมินก็ส่งองค์เย่อโดยดาวผู้ถือหนังสือนั้นเข้ามายังเจ้าพระยาบรินเดชาณเนะมืองพระตะบองให้ล่ามแปลหนังสือยวนออกเป็นภาษาไทยใจความว่าหนังสือของท่านเป็นใหญ่ฝ่ายทหารแม่ทัพ บ, บกทั้งสิ้นในกรุงเว แจ้งความมาถึงท่านองค์เป็นใหญ่ฝ่ายแม่ทัพไทยได้ทราบว่าเดิมเมืองยวนกับเมืองไทยเป็นทางไม่ตีกันมาช้านานบัดนี้ไม่มีเหตุไม่มีว่วาอะไรกันเหตุผลประการใดไทยจึงยกกองทัพมากัาททำย่ายีกับยวนก่อนและไทยก่อการศึกสงครามกับยวนยวนก็ต้องยกทัพมาป้องกันเขตแดนและไทบ้านพลเมืองของยวนบ้าง ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาจึงสั่งให้จัดสิ่งของมาเลี้ยงพวกยวนแล้วจึงให้ยวนคอยอยู่ก่อนแล้วจึงจะตอบหนังสือไปให้ถึงแม่ทัพยวนต่อภายหลังแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาให้หลวงกินดารักษ์นำต้นหนังสือยวนและสำเนาแปลนั้นส่งไปยังกรุงเทพขึ้นทูลกล้าวถวายทรงพระกรณาโปรดให้มีท้องตาตอบออกไปให้เจ้าพระยาบดินเดชาตอบยวนตามพระกระแสพระราชดำริ ที่ทรงร่างทรงออกไปดังนี้สาราเจ้าพระยาจักรีสีองค์ครัสมหานายกดิโลกเลิศประเสริฐศักดิ์อัครมหาเสนาบดีจอมภริยาพาหนพยุหะพลพิชัยสงครามซึ่งเป็นรัตนทวยหารดุดจักแก้วประดิษฐานอยู่ใต้เบื้องฝาละ อ, องธุรีพระบาทบงกฎเรณูมาศยุคนพระบาทสมเด็จพระบรมธร ม, มิตรกษัรายาสุบิาชบรมนาศบพิษ พระพุทธเจ้าอยู่หัวณนะกรุงพระมหานครศรีอายุทยามาถึงท่านองค์เป็นใหญ่ฝ่ายแม่ทัพยวนได้ทราบซึ่งยวนมีหนังสือมานั้นได้แจ้งแล้วทุกประการฝ่ายเราได้พิเคราะห์ดูเห็นว่ายวนหยิบยกแต่ความดีเล็กน้อยของยวนขึ้นมาว่ากล่าวฝ่ายเดียวแต่ความดีของไทยที่อดออมถนอมรักษาธารมไมตรีกับยวนไม่ให้มัวหมองนั้นยวนไม่เห็นบ้างว่า ความดีของไทยมีอยู่กับยวนโดยมากยวนก็ลืมเสียหมดถ้ายวนจะรักษาทางไมตรีให้เหมือนไทยรักษาไมาตรีกับยวนนั้นการก็จะไม่เกิดวิวาดเป็นที่ร้าวฉานซึ่งกันและกันถ้ายวนไม่ล่วงเกินพูดจาบินประมาทต่อกรุงเทพแล้วท่านผู้ครองแผ่นดินไทยก็จะรักษาทางไมตรีซึ่งกันและกันไว้โดยสุจริตไทยก็จะไม่คิดก่อการสุดสงครามมาย่ายีเขตแดนยวน ถ้ายวนทำได้ดังนั้นแล้วทางไมตรีทั้งสองพระนครก็จะถาวรวัฒนาการไปชัว่วกะรัปวสารเกียรติยศทั้งสองพระนครจะเป็นที่สรรเสริญแก่น า, นานาประเทศทั้งปวงไถ่ฟ้าข่าขอบขันทเสมาในแผ่นดินไทยและยวนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายบัดนี้ทางไมตรีไทยกับยวนเสียมเสียไปครั้งนี้ ด้วยเหตุผลประการใดนั้นก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจยวนสิ้นทุกประการและนานาประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตแดนไทยและยวนนั้นเขาก็จะย่อมรู้เป็นพยานอยู่ด้วยมากหรือยวนจะเห็นว่าไทยทำให้เสียทางไมตรีไปก่อนเล่าซึ่งยวนทําลายล้างทางไมตรีให้เสียไปก่อนนั้นไม่คิดดูบ้างเลยเหนือความสองข้อนี้ให้ยวนคิดดูเถอะ ส่งหนังสือให้องคเย่อโดยดาวผู้ถือหนังสือยวนมานั้นรับไปให้แม่ทัพยวนอันหนึ่งแต่ก่อนเสนาบดียวนมีหนังสือเตือนสติไทยเข้ามาฉบับหนึ่งใจความว่าพม่ากรุงอังวะกับไทยเป็นข่าศึกแก่กันมาช้านานจนถึงคราวนี้การศึกสงครามพม่า ก, กับไทยก็ยังไม่เว้นวายเลิกกันถ้ามีช่องมีเวลาเมื่อใด พม่าก็ยกกองทัพมาทำแก่ไทยไม่ใครจะเว้นว่างบัดนี้พม่าเห็นว่าไทยยวนทำศึกสงครามติดพันกันอยู่ฝ่ายพม่าได้ช่องโอกาสอย่างดีจะยกกองทัพมาตีเมืองไทยเมืองไทยก็จะลำบากยากแขนแสนสาหัสเพราะพม่าจะยกกองทัพมาพลอยซ้มเติมกับยวนเหมือนหนึ่งเป็นทัพบกกับทัพเรือเข้ามาตีเมืองไทยพร้อมกับทัพพมา่า ทั<ถ>พพม่าก็จะได้เม mm ืองไทยไปแบ่งปันกันกับหยวนแต่ยวนยังมีเมตตาแก่ไทยอยู่จึงไม่ยกทัพมาพร้อมกับพม่าพม่าก็เป็นแตกเตรียมการไว้จะยกเข้ามาเมื่อใดก็ยังไม่แน่เหนือความดังนี้ไม่แจ้งอยู่ในหนังสือของยวนฉบับก่อนนั้นแล้วท่านเสนาบดีไทยได้แปลหนังสือยวนฉบับก่อนขึ้นทูลกล่าว ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาได้ทรงทราบใต้ฝ่ารองธุลีประวาทแล้วจึงมีพระราชงการมานพบรรทูลสุรสศิชนาะโปรดเกล้าโปรดกระห ม, ม่อมดำรัสท่านเสนาบดีให้มีท้องตราตอบออกมายัางเจ้าพระยาบรินเดชาแม่ทัพที่เมืองพระตะบองว่าให้เจ้าพระยาบรินเดชาเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งให้ตอบยวนตามกระแสพระราชดำริโปรดเกล้าให้พระยาสีหัเทพ ทองเพ่งที่ทรงร่างพระราชทานออกไปแต่ให้เขียนดำเนินเนื้อความเป็นหนังสือของเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพไทยประทับราพระราชสีน้อยแม่ทัพตอบยวนไปอีกฉบับหนึ่งใจความว่าสารตราเจ้าพระยาจั ก, กรีศรีองค์ครับสมุหนายกสิลกเลิศประเสริฐศักด์อ克拉มหาเสนาบดีจอมพริยะพาหนพยุหพลพิชัยสงครามซึ่งเป็นรัชนะถวยหาน ประดุดดังจักแก้วประเดษสถานอยู่ใต้เบื้องฝ่าละ อ, องทุรีพระบาทบงกฎเรนูนมาสยุคนพระบาทสมเด็จพระบรมธรรมมิตรหาราชาธิราชบรมนาถบอพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวณนะกรุงพระมหานครศรีอายุทยาอันทรงพระมหาอานันตานุภาพโปรดให้เรามาปราบปรามอินทราราชดัสกรนครกัมพุชประเทศและมาลาวประเทศ ได้ขอบเขตขันทสีมาอาณาจักรโดยกว้างขวางในบุรพทิพย์มาถึงองค์เลโปโเสนาบดีสําเร็จราชการฝ่ายนานาประเทศในกรุงเวและถึงองค์ทงเจอัครมหาเสนาบดีผู้สําเร็จราชการฝ่ายหัวเมืองเหนือของอาณาจักรยวนทั้งสิน้นและเป็นผู้สําเร็จราชการในกรุงเวด้วยจงทราบซึ่งแต่ก่อนท่านเสนาบดีและแม่ทัพฝ่ายยวน มีหนังสือเข้ามายังกรุงเทพพระมหาคนครเป็นเนื้อความตักเตือนสติไทยนั้นด้วยเรื่องเมืองพม่า ก, กับไทยไทยได้แจ้งแล้วแต่ท่านเสนาบดีหลายท่านคิดเห็นว่าขันจะนําหนังสือยวนที่เตือนสติผู้ครองฝ่ายไทยนั้นขึ้นทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงพระมหาคนครศรีอยุธยาไม่ได้เพราะเกรงพระราชอาญาจะทรงปรับไหมให้นายทัพนายกอง และเสนาบดีถึงที่ตายเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยมีว่าเขาด่าเจ้านายห้ามไม่ให้บ่าวไพร่นำความด่าบอกแก่เจ้านายถ้าผู้ใดบอกโทษถึงตายเพราะฉะนั้นซึ่งยวนมีหนังสือเข้ามาบริภาษตัดพอถึงพระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นหลายประการฝ่ายท่านเสนาบดีไทยจะนำหนังสือของยวนขึ้นทูลกล้าถวายไม่ได้เลยเป็นอันขาด เพราะกฎหมายห้ามตามคำนียมไทยแต่ท่านเสนาบดีไทยได้เพเคงาคตรวจดูหนังสือของยวนแล้วและเราก็ได้ตรวจด้วยเห็นข้อความสำคัญในหนังสือของยวนนั้นมีอยู่หนึ่งซึ่งยวนออกชื่อพมา่าข้าศึกมาคมคูไทยนั้นเหมือนเขียนเสือหลอกให้วัวกลัวฝ่ายนายทักในกองไทยได้ประชุมปรึกษาพร้อมกันจึงลงเนื้อความเห็นว่า ข้อความในหนังสือของเสนาบดียวนกล่าวถ้อยคำเหมือนปัญญาเด็กเหลืองโคเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำขึ้นทูลกล้าวถวายพระเจ้าแผ่นดินไทยให้ขุนเคืองใต้เบื้องฝ่าละองธุรีพระบาทกับข้อความซึ่งยวนเตือนสติไทยให้ระวังระวัยพม่าเมืองอังวะจะยกกองทัพมาส้ำเติมตีไทยนั้นฝ่ายเราและท่านเสนาบดีไทยมีความขอบใจแก่เสนาบดียวน ที่เตือยมสติมานั้นเป็นอันมากแล้วแต่ความคิดแม่ทัพในกองฝ่ายไทยทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยพร้อมใจกันเห็นว่าเมืองไทยกับเมืองพม่าได้เคยทําสงครามเขี่ยวเข็นแรมปีแรมเดือนกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วจนแม่ทัพพม่าออกระอาฝีมือไทยพม่าได้แต่งทูตมาชวนแม่ทัพไทยให้งดการสึกสงครามการเสียแล้วผ่อนผันตัดรอนเขตแดนแบ่งปันบ้านเมือง ที่พรมแดนซึ่งกันและกันเด็ดขาดโดยมั่นคงลงเป็นการเสร็จแล้วข้างฝ่ายเหนือลําแม่น้ําโขงเป็นของไทยตลอดถึงเมืองลาวพุงดําไปจนถึงเมืองเชียงแสนตลอดขึ้นไปจนถึงเขาขั้นเขาเยาแม่น้ำนุ่มและแม่น้ําเถือนและแม่น้ำผ่าน แ, แม่น้านําตะพังหรือแก่งสะพานหินขาวติดต่อกับเขตแดนพมา่าเชียงตุงเชียงรุวงด้วย แม่ทัพไทยกับแม่ทัพพม่าได้ตกลงแบ่งปันเขตแดนกันเด็ดขาดออกไปแล้วดังที่ฉีแจงตําบลเหล่านี้มาให้ยวนรู้ด้วยเขตแดนพม่าฝ่ายใต้นั้นเล่ากองทัพอังกฤษก็ตีได้มากฝ่ายอังกฤษได้เป็นสัมพันธมิตรไมตรีกับไทยแล้วและอังกฤษยกบ้านเมืองฝ่ายพม่าที่อังกฤษตีไว้ได้นั้นมายกให้แก่ไทยหลายเมืองฝ่ายไทย ไม่รับส่วนแบ่งปันเมืองพม่าที่อังกฤษให้ไว้นั้นเพราะไทยเห็นว่าเขาหลวงขั้นอยู่รักษาเมืองเหล่านั้นยากจึงไม่รับไว้สักเมืองหนึ่งไทยกับอังกฤษได้เป็นมหามิตรไมตรีกันเหนือความข้อนี้ใช้ไทยจะอวดอ้างก็หาไม่แจ้งอยแก่ใจยวนและพม่านั้นแล้วอันหนึ่งหลีพนซักเล่ทหารแม่ทัพนายกองไทย ก็ได้รู้จักชั้นเชิงศึกสงครามกับพม่ามาช้านานแล้วได้เคยทำศึกกันมาจนพม่าะระอาเิกไปเองบัดนี้แม่ทัพนายกองฝ่ายไทยทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ได้ตรึกตรองจัด ก, การบ้านเมืองอนาเขตของไทยฝ่ายเหนือที่พรมแดนกับพม่าโดยมั่นคงแข็งแรงทุกทิศทุกทางหรือที่ใดเป็นช่องเป็นทางที่พม่าะจะมาได้โดยง่ายนั้น ก็ได้จัดสรรเจ้าเมืองกรมการที่มีสติปัญญากล้าหาญและฝีมือทัพเข้มแข็งให้ไปพิทักษรักษาบ้านเมืองด่านทางที่พม่าจะเข้ามานั้นโดยรอบคอบตลอดขอบขันทเสมาอาณาจักรแล้วอันหนึ่งแม่ทัพนายกองฝ่ายไทยไมิได้กริงเกรงฝีมือพม่าฆ่าสึกเลยอันหนึ่งเมืองไทยไม่มีความสะดุ้งตกใจกลัวว่าพม่าจะยกกองทัพมาเป็นศึกกระนาบกับยวน ถึงมาดว่ายวนจะไปบอกพมา่าให้ยกกองทัพใหญ่มาตีเมืองไทยอีกไทยก็จะไม่หวาดหวั่นตกใจกลัวพมา่าขอให้ยวนเร่งรีบโดยเร็วไปบอกแก่พมา่าให้ยกทัพมาเถิดไทยจะได้สู้รบทำศึกกับพมา่าต่อไปอีกเพราะว่าแม่ทัพไทยไม่ได้เล่นสนุกกับพม่ามานานแล้วอห น, นึง่งแม่ทัพนายกองไทย ก็ได้เคยเห็นฝีมือทหารพม่าและทหารยวนมามากพอจะสู้รบกันได้ไม่เป็นไรนะักพม่าและยวนก็ไม่ได้เหาะเหินเดินบนน้ำดำดินมาทำสึกกันเมื่อไรเล่ายวนและพม่า ก, ก็ย่อมมีช้างมาโครกระบือและเรือเป็นพาหนะด้วยกันเหมือนกับไทยถึงเมื่อรบกันนั้นก็ย่อมตายลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่จะตายแต่ไทยเมื่อไรเล่าพม่าและยวน ก็ไม่ได้กินเหล็กย่อมจะมีเลือดเนือ้อถูกคมอาวุธก็บาเดเจ็บตายอย่างไทยหาควรจะดูถูกไทยไหมถ้าท่านเสนาบดีฝ่ายยวนได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วขอให้นำข้อความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้ทรงทราบด้วยเถิดหนังสือยวนฉบับนี้ส่งมาแต่ท่านอครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่แม่ทัพที่เมืองพระตะบองแต่ณวันเดือนหก แรมสิบ่ำปีมะเมียศกอยู่รัชกาลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกผ่านนิพภศได้สิบเอ็ดปีเขียนเป็นอักษรจีนภาษาหยวนฉบับหนึ่งเขียนเป็นอักษรขอมภาษาเขมรฉบับหนึ่งแล้วประทับตราพระราชสีน้อยหมวนไว้ในกลักแดงมีถุงจำมียีสีม่วงหุ้มนอกกลักตราจากประจําขั่งที่ปากถุงมอบให้ยวนที่ยังอยู่คอยรับหนังสือตอบนั้นให้ถือหนังสือฉบับนี้ ไปส่งให้องค์เตียนกุลที่เมืองไส่นอนแต่หนังสือข้างนอกถุงนั้นมีความว่าถึงองค์ทงเจอ克拉มหาเสนาบดีและองค์เลโปเศนาบดีกรุงเวอานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ 24, ยี่สิบสี่ยวนทรงสารคมคู่ไทยโดนไทยคมคู่กลับ กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป